ก็บางคนนี่เสียงดังจริงๆนะี่เสียงดังเสียงกล้องเสียงเสียงดีง เ, งเลยนะของห้องเรามีอยู่คนหนึ่งไงภาคกังคืนเนี่ยผมไม่ต้องใช้ไม้เลยนะแกพูดเนี่ยห้องเนี่สบายๆเลยอนะ่นะเนะี่ยไอ้ด้วยที่เน็แกแก็เป็นพวก ขาดการบริโภคกามมานานนะเดือดอดอยากในเรื่องการไปเป็นเทวดาเพราะเป็นเทวดาที่หมกมุ่นในการบริโภคกามมากเลยลืมเวลากินอาหาร <c oughs> คือเทวดานะั่ก็จะตายหนึ่งเพราะสิ้นสิ้นบุญพวกสิ้นบุญนี่หมายถึงอุปมาเหมือนกับว่าพวกชาวนาที่ทำข้าวหรือทำนาเอาไว้ในฉางน้อยนะกินสักวันสองวันก็หมด้ใช่หพวกนี้เทวดาก็เหมือนกันอย่างเทวดาเขาบอกอายุพันปีทิพย์อย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องอยู่ครบพันปีทิพย์นะมันแล้วแต่บุญที่นําเกิดด้วยอย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าถ้าบุญน้อยนะก็อายุสักวันสองวันของสวรรค์ก็จุติแล้วไปมีอายุไม่กี่วันสวรรค์ น, นี่ก็ตายก็มีเยอะแยะไปเขาเรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญอย่างพวกหนึ่งก็ตายเพราะสิ้นอาหารเนี่ยนะพวกตายเพราะสิ้นอาหารคือพอเล่นไปเพลินไปเที่ยวไปอะไรไปเนี่ยเลยเวลาทานอาหารตายเนี่ยก็เตรียมจุติอย่างเดียวเขาบอกว่าอา้าวถามว่า ทำไมไม่ใส่อาหารเพิ่มเนี่ยนะหยอดอาหารอะไรเข้าไปก็บอกไม่ได้เหมือนกับดอกบัวที่ไปตากแดดอยู่เนี่ยนะะถอนดอกบัวแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามารดน้าในตอนเย็นเนี่ยนะให้มันเขียวสดชื่นเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้และฉันใดเทวดาก็เหมือนกันเนี่ยเยียวยาไม่ขึ้นเพราะว่าเตโชธาตมันแรงมากาว่าเตโชธาตเนี่ยแรงมากอันนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญบางทีเทวดาบางกลุ่มนี่ก็ตายเพราะกโกรธกัน เนี่ยนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเดินตายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วหมัน่นไส้นึกหมั่นไส้ขึ้นมานะทั้งคู่เนี่ยมามองด้วยสายตาที่เป็นโทสะด้วยกันทั้งคู่จะตายทั้งคู่เลย น, นะนะบอกกันนางฟอนเนี่ยร้องไห้อยู่ตรงนั้นแนหะเทพบุษเนี่ยตกนรกไปเรียบร้อยแล้วนะหรือบางทีก็แล้วแต่ว่าไปเกิดที่ไหน น, นะอีกพวกหนึ่งก็ตายเพราะสิน้นสิ้นอายุในในสวรรค์เนี่ยนะพอผู้มีบุญมากจะอยู่จนสิ้นอายุ แล้วก็พวกนั้นก็จะเลือกขึ้นก็ได้เลือกขึ้นสั้นสูงๆต่อไปก็ได้เลือกที่จะลงมาเกิดชั้นล่างๆต่อไปก็ได้เลือกได้เหมือนกับผู้ที่มีทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะจะเลือกซื้อคอนโดสูงๆอยู่ก็ได้จะมาเลือกสร้างเล็กๆอยู่ที่กระท่อมก็ได้อะไรก็ได้อันนี้คนมีบุญฝ่ายนายเอโคสกะสุนัขเนี่ยนะเทพบุตรสุนัขเนี่ยชื่อว่าโคสกะเนี่ยเขาเสียงมันก้องเสียงดังมากชื่อว่าโคสกะแล้วก็ตายเพราะสิ้นอาหาร พรว่าเพิกับการบริโภคก ร, รมแต่ว่าเกิดถูกยุคพอดีเลยนะก็มาเกิดในเป็นลูกของนางโสเพณีทีนี้กรรมอันแรกให้ผลที่ทิ้งลูกเกิดเป็นโสเพณีเพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องการต้องการแต่ลูกสาวบ้านนี้ไม่ต้องการลูกชายอน น, นกรรมอันแรกก็เอาไปทิ้งขยะแบบนั้นคะก็เอาลูกใส่กระด้งเนี่ยไปทิ้งขยะทีนี้ความที่บุญที่เคยเห่าพระประเจกเอาไว้เนี่ยนะเคยรักษาพระประเจกอะ่ะ พวกหมูหมากาไก่มันดูแลอย่างดีมั้นไปทิ้งก็มีคนเอามาเลี้ยงอีกอะนะก็มีคนอตอนหลังอ่ะเรื่องก็ถึงเศรษฐีบอกว่าใครปฏิเกิดคลอดวันนี้คนนั้นจะเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ในเมืองนี้อันเศรษฐีก็ไปหาซื้อเด็กที่เกิดวันนั้นมาทีนี้เศรษฐีนี่ก็ตอนหลังก็มีลูกชายอีกก็ไม่อยากให้เด็กคนนี้มันอยู่มีชีวิตต่อไปเพราะถ้าอยู่แล้วลูกตัวเองจะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็คิดฆ่าก็ส่งไปฆ่าเนี่ยเจครั้ง นะนะส่งไปให้เรียกว่าไปโยนลงเหวอ่ะนะก็ไปตกใสพุ่มไผ่ก็ก็เหมือนแต่ที่ที่ก็เครี้ยงออกจากรถไฟใช่ไหมก็ยังไปตกในกอไม้อะนะไม่ไม่ตายอ่ะแต่ว่าเครี้ยงออกจากตัวรถไฟปกติมันน่าจะตายใช่ไหมลูกตาหลับหูหลับตาเครี้ยงยังไปตกกอไมอ้ก็ยังไม่ตายกันนะขนาดโดดรถไฟยังไม่ตายเลยนะคนมีบุญอ่ะนะอย่างนั้นก็ไม่น่าเชื่อนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเขาโยนลงตกเหวอะ่ะก็ไม้ไผ่นี่ก็รองไว้ ทีนี้ไปให้เกวียนเนี่ยเหยียบให้มันขาดสองท่อนนะนะหัวหน้าเกวียนไปอีกโคมันก็ไม่ยอมเดินอีก่งนะก็รักษาด้วยบุญ น, นั้นทำให้ไม่ตายอยู่เจ็ดครั้งด้วยบุญที่เห่าพระประเจกเนี่ยนะตอนหลังแกก็สลดสังเวชใจมากที่ได้ฟังประวัติของตัวเองก็เลยให้ทานใหญ่ตั้งโรงทานตอนหลังทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแกก็มาจากเมืองไออุเชนีเนี่ยมาฟังธรรมที่เชตวัน บรรุปเป็นพระโสดาบันตอนหลังก็กลับไปสร้างวัดชื่อโนะคสิตารามเนนะเรียกว่าวัดของโคสกเกษธีอันอดีตก็เคยเป็นสุนัขเหมือนกัน น, นะก็อของเราก็เคยเป็นแล้วนะแต่ว่าจบตอนจบไม่ได้เป็นเหมือนจบเหมือนท่านเนะียของท่านนี่จบว่าได้เป็นโสดาบันไปเรียบร้อยแล้ ว, แ, ลวแทงตลอดอริยสัตว์ของเราก็ <c oughs> ไม่แน่เหมือนนะ <c oughs> ไม่แน่ยังเสี่ยง เสียงเสี่ยงเจริญศรัทธาต่อไปนะคือการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะมันอยู่ที่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามันไม่ได้อยู่ที่เหตุอื่นๆคือถ้าภาคเพียรในการอบรมกุศลทั้งทั้งห้าประการเนี่ยที่เรียกว่าเจริญอินทรีย์ห้าได้เนี่ยนะก็ก็ตรัสรู้ได้อยู่แล้วั้นก็วันวันหนึ่งก็ควรที่จะทบทวนนะว่าเอ๊ะสัตทินทรีย์เรามีกําลังมากไหมนะวิริยิทรีย์สติิทรีย์สมาทรีย์ปัญินทรีย์เนี่ยนะก็ หมั่นมาทบทวนบ่อยเพราะการตรัสรู้ธรรมนี่อาศัยประโยค่าคือการเจริญกุศลทั้งทั้งหประการเหล่านี้อยู่แล้วอาศัยอ้อนวอนอย่างเดียวนี่คงไม่พอที่จะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยก็ต้องอาศัยอินทรีทั้ง5้านั่นเองแต่นี่ในขณะเดียวกันหมายถึงว่าผู้ที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุอยู่แล้วนะถ้าปฏิสนธิด้วยทวิเหตุก็ทาบุญไปก็ถือว่าเป็นเหตุใกล้ที่จะทาให้บรรลุมรรคผลต่อไป เ, เอาแบบ นกฮูกตาโตนะที่เวลาบินไปเห็นพระประเจ ก, ก็ยังยกปีกไหวพระพุทธเจ้ายังได้ดีเลยนะมองด้วยสายตาที่เป็นมิตรเนี่ยก็ดดีแล้วบางของเราเนี่เห็นเจดีก็อย่าไปโกรธนะให้ทําจิตให้เลื่อมใสไว้นะครับนี้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดในสุขติต่ตอไปตัวกรรมที่ที่ทําเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องอสังวรให้มากๆ ให้ความสำคัญให้มากนแต่ว่ากรรมที่นำเกิดเนี่ยเมื่อกี้อาศัยเหตุสองนะที่จะนำเกิดได้คือเหตุสองนอกุศลเหตุตัวนั้นสำคัญที่สุดคืออวิชากับตันหาเหตุสองนั่นแหละเป็นเป็นเชื้อในการปฏิสนธิณะพบต่างๆถ้าผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสมมาสีสีของพระอรหันต์เนี่ย พวกที่จะตายแล้วได้บรรลุเนี่ยพวกนี้จะมีคตินิมิตพอคตินิมิตเกิดขึ้นเนี่ยรู้ตัวเลยว่าปฏิสนธิอีกแน่ก็เลยเจริญวิปัสสนาในในในช่วงนั้นได้ของเราก็ถ้าไปถึงตอนนั้นไม่รู้จะเจริญวิปัสสนาได้หรือเปล่าไม่ทราบนะเราตอนที่มันตื่นเตือนยังไม่มีคตินิมิตก็อารมณ์ในโลกนี่นะพร้อมที่จะเป็นคตินิมิตได้หมดเลยอารมณ์ในโลกนี่นะทุกอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของคตินิมิตได้หมด เจตนาทุกเจตนาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นกรร ม, มนิมิตได้หมดภาพในโลกหน้าพร้อมที่จะเป็นคตินิมิตได้หมดเลยคือชาวนาจิตก่อนจะตายเนี่ยที่เรียกว่ามรณาสันนวิถีเนี่ยมันจะมีอารมณ์3าอย่างอะไรคือกรร ม, มนิมิตอย่างหนึ่งกรรมมะอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็คตินิมิตอย่างหนึ่งกรรมก็คือระลึกถึงกุศลอกุศลเจตนาที่ตัวเองทํา ม, มานเนี่ยนะอันนี้เป็นกรรมมะอารมณ์ ส่วนระ ล, ลึกถึงภาพทั้งหลายแหลที่ไปไปทำมานะไปเกี่ยวข้องมาภาพในการไปทํากุศลอกุศลเสียงที่ไปอาศัยทํากุศลอนกะุศลเนียพวกวัตถุทั้งหลายแหล่ที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆอ่นนะพวกนั้นจะเป็นกรรมมนิมิตอารมณ์ส่วนที่เหมือนกับภาพในความฝันอ่ะนะเหมือนกับภาพในความฝันก็เช่นอยู่ๆแล้วนึกถึงท้องมารดาเนี่ยนะ นี่ก็เป็นมนุษย์นะหรือเห็นเป็นวิมานหรือเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวไหมเกิดเต้าเนี่ยนะไม่รู้เกิดเป็นอะไรนะแต่แถวทุ่งหญ้านั่นหน่อยนั้นก็ภาพมันก็น่ากลัวเหมือนกันเลยจะเป็นนี่ก็เห็นวิมานเห็นอะไรเป็นต้นเนี่ยเราก็ดูนะว่ามันจะฝันเห็นอะไรนะใกล้จะตายนะแต่ทุกขที่สําคัญก็คือตัวที่พอจะอุ่นใจได้บ้างคือระลึกถึงกรรมมอารมณ์ เช่นผู้ที่เจริญศีลมาเป็นอย่างดีก็ระลึกถึงศีลนะระลึกถึงศีลเอาไว้เถอะเจริญศรัทธานะศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเนี่ยนะห้าประการเนี่ยเคยทําอะไรไว้มากให้ระลึกอันนั้นเอาไว้เสมอๆอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนกว่ากว่าเพื่อนอันนี้เป็นกรรมะอารมณ์เนี่ยนะให้ระลึกถึงกรรมอารมณ์เท่าที่จะทําได้หรือกรรมนิมิตอารมณ์ที่เคยไปทําบุญให้ทานอะไรไว้เนี่ยนะหรือไปกราบไหว้พระเจดีย์ทั้งหลายกรรมเออพระเจดีย์ก็เป็น กรร ม, มนิมิตเนี่ยนะเป็นกรร ม, มนิมิตนะภาพพระเจดีนั้นใครที่ว่าเอาผ้าไปบูชาต้นโพยยังไงก็ลึกถึงผ้าได้ก็ยังดีนะหรือไปจุดประทีปโคมไฟบูชาเจดีก็ละลึกถึงประทีปก็ดีหรือให้ทานก็ละลึกถึงข้าวละลึกถึงน้ําอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทําไปก็ดี น, นั้นเป็นกรรมมะอารมณ์เออขอไปกรร ม, มนิมิตอารมณ์ <c oughs> ส่วนเจตนาที่จะนําเกิดเนี่ยนะ เราเลือกอารมณ์ในส่วนนี้ได้แต่ยาณสัมปยุทธ์หรือยาณวิปยุทธ์ที่นำเกิดนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไอเมันเป็นประโยค่าอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตเป็นกุศลก่อนจะตายเท่านั้นเองเพราะว่ากรรมที่จะมานําเกิดนี่ก็แล้วแต่เจตนาอีกทีหนึ่งว่าเจตนาตัวไหนจะมานําปฏิสนธิเนี่ยนะในบรรดากรรมที่ทำไว้เยอะแยะไปหมดเลยในสังสารวัตรเนี่ยนะ ในมหาวิบากกับมหากิริยานี่มีใครสงสัยอะไรบ้างไหม ย, <c oughs> ยังก็ผ่านเลยนะพอมาสรุปในอภิธรรมมัทธวิพาวินีหน้าหกสิบเอ็ดเยนะย้อนทบทวนว่า อธิบายมหาวิบาหว่าก็กามาวจระกุศลจิตเหล่านี้ย่อมเป็นไปด้วยสา ม, มารถแห่งบุญยักิริยาด้วยสา ม, มารถแห่งกรรมมทวาล น, น, นะคือด้วยสา ม, มารถแห่งกรรมและด้วยสา ม, มารถแห่งอธิบดีฉันใดกามาวจระวิบากย่อมไม่เป็นไปฉันนั้นคือถ้าเป็นบุญนะเวลาให้ทานเนี่ยเวลาขออภัยเวลาทําบุญนี้บางอย่างก็เป็นทานบางอย่างก็เป็นศีลบางอย่างก็เป็นภาวนาใช่ไหม หรือกรรมมทวาลก็อาศัยกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่ากรรมมทวาลหรือมโนทวานเนี่ยนะคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือว่าขณะที่เจริญกุศลก็ยังมีศรัทธานําหน้าเรียกว่าผู้ที่มีศรัทธานั่นแหละเรียกว่าฉันทาที่ปฏิเนี่ยนะคือมีศรัทธานําหน้านั่นเองนะก็เลยเรียกว่าอธิบายเป็นฉันท่านะจริงๆก็คือศรัทธาด้วยนั่นเองนะ หรือว่ามีวิริยะเป็นอธิบดีมีจิตเป็นอธิบดีหรือมีปัญญาเป็นอธิบดีเนี่ยนะคือกุศล น, นั้นอาต้องเอาบุญกิริยาวัตถุเป็นเครื่องวัดเอาทวารกายวจ า, ากายวจีมโนเป็นเครื่องวัดเอาอธิบดีสี่เป็นเครื่องวัดว่าอันนี้เป็นกุศลนะส่วนวิบากไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าขณะที่วิบากเกิดเนี่ยนะไม่เป็นไปด้วยสามารถแห่งบุญญกิริยาวัตถุ ทานก็ไม่ใช่ศีลก็ไม่ใช่ภาวนาก็ไม่ใช่เพราะไม่ให้วิญญัตเกิดขึ้นเนี่ยนะมหาวิบากไม่ทำวินญัติรูปนะทั้งกายวิญญัตวละจีวิญญัตก็ไม่ทำแล้วก็ไม่สามารถเกิดขึ้นแห่งวิบากเป็นสภาพคือไม่เป็นปัจจัยแก่วิบากต่อไปด้วยด้วยกรรมมาปัจจัยนะไม่ได้เป็นเหตุแห่งวิบากอะไรเลยเพราะตัวเขาเองเป็นวิบากอยู่แล้วและก็ไม่ประพฤติทำฉันท่าเป็นต้นให้ออกหน้า เพราะว่ามหาวิบากไม่เป็นอธิบดีไม่เป็นฉันทาวิริยะจิตและปัญญาอะไรเพราะฉะนั้นบัณฑิตเพื่ลดการนับด้วยอํานาจความไม่เป็นไปแห่งทานเป็นต้นนั้นลงแล้วประกอบด้วยความแตกต่างแห่งการนับตามสมควรเหตุตุกกะกามาวจรไวิบากแม้เหล่านี้เป็นไปกับโสมนัสและอุเบกขาตามลําดับด้วยอํานาจอิทธารลมและอิทมัชชตารลมคือถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนามาก นนะมหาวิบากก็เป็นอิทธารมถ้าอารมณ์ที่ปานกลางมหาวิบากก็เป็นอุเบข า, าทีนี้วิบากเหล่านั้นจะเป็นญาณสัมปยุทธหรือยาณวิปยุทธก็ด้วยอํานาจแห่งวิบากมีปฏิสนธิเป็นต้นโดยความที่กรรมมีกําลังและไม่มีกําลังในเวลาที่เป็นตัดไปด้วยตถาลัมพนะโดยสมควรแกชนะ่ชาวณโดยมาก และแม้ในเวลาที่เป็นไปกับตถารัมมณะนั้นบางครั้งก็เป็นไปสมควรแก่กรรมเนี่ยนะคือชาวนะเป็นตัวกําหนดตถารัมมณะหรือกรรมเนี่ยเป็นตัวกําหนดตถารัมมณะจิตเหล่านี้เป็นอาสังขาริกและสังขาริกย่อมมีปัจจัยมีกรรมเป็นต้นตามที่ปรากฏเวน้นประโยคะคือไม่ต้องอาศัยกายประโยค่วจีประโยค่าให้ผวังเกิดอะไรหรือให้มหาวิบาศเกิดอะไรแล้วก็ กรรมนี่แหละเป็นปัจจัยเนี่ยตามสมควรและสัมปโยคะด้วยอำนาจแห่งปัจจัยที่เป็นส ป, ปายะและอสส ป, ปายะมีอุตุและโภชนะเป็นต้นนะวิบากนี้เกี่ยวกับอุตุและโภชนาไหมถ้าวิบากจะเกิดนานหรือเกิดไม่นานเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวนะเช่นการนอนหลับเนี่ยนะเป็นมหาวิบากใช่ไหมทีนี้จะหลับสนิทหรือหลับไม่สนิทจะหลับยาวหรือไม่ยาวก็เนื่องด้วยอุตุโภชนะด้วยเหมือนกันนะที่จะหลับดีหรือหลับไม่ดีอ่ะนะ เพราะว่ามหาวิบากนี้เป็นพวกพวกพวังนั่นแหละเรียกว่ามหาวิบากละ น่ตั้งสมาคมขันแข่งกันหน้าหนึ่งเตั้งวงขันน่าเสียใจแย่นะคนอื่นเขาฟังทำศึกษาธรรมของเราเนี่ขันเป็นอย่างเดียวนะทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นอะที่เหลือก็รอข้าว ก, กินอย่างเดียวเป็นความสูญเสียที่ไม่รู้จะเสียขนาดไหนอีกแล้วนะ ย้อนทบทวนมหาวิบากครั้งหนึ่งนะมหาวิบากดวงใดๆจะเกิดขึ้นแก่บุคคลใดเนี่ยนะในชั้นต้นก็เอาปฏิสนธิเป็นเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะปฏิสนธิว่าอ่าโดยตรงๆแล้วตามสมควรแก่กรรมถ้ามหากุศลดวงที่หนึ่งนำเกิดจะเป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งเหมือนกันถ้าดวงที่สองนำเกิด พีบา ก, ก็จะเป็นดวงที่สองเป็นต้นเนี่ยนะจะลักษณะเดียวกันอันนี้ว่าโดยตรงๆเนี่ยนะตามสมควรแกเ่เหตุเหตุที่นำเกิดเน้เ น, นเจตนาในการทำกุศลอย่างไ้อย่างหนึ่งมี3ใช่ไหมคือปุพหะเจตนาอย่างหนึ่งสองมณนะเจตนา3าอัปปะ ป, ป ะ, ะนะอะปราปะยะเจตนา ตัวที่นําเกิดเป็นมุนจนะเจตนาคือเจตนาที่กําลังทํากุศลนั้นนั้นะ่ะเป็นตัวนําเกิดเนี่ยนะแต่บุญนี้จะมีผลมากมีผลน้อยอยู่ที่อภราระเจตนาแต่เครื่องวัดโดยรวมๆก็เจตนาในการสามเนี่ยนะมุนจนะเจตนาเจตนาที่กําลังทำเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าจะปฏิสนธิแบบกรรมในการกระทำนั้นนั้นเนี่ยจะนําเกิดในลักษณะไหน มหากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยท่านสามารถอธิบายว่าสามารถให้ผลได้ส6หดวงเลยเนีเอ่อันนี้พูดในขณะปฏิสนธิใช่หพอปฏิสนธิแบบนี้หลังจากปฏิสนธิเรียกว่าพวังการเกิดขึ้นแห่งพวังเนี่ยทั่วๆไปและจะไม่ไม่เขียนว่ามันกี่ดวงจะใช้ปยามเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า ช่วขณะลัดนิ้วมือเนี่ยจิตเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่นั้นก็เลยไม่สา ม, มารถจะมาเขียนให้เป็นวงให้รู้ได้แต่ก่อนหน้านี้จะมาขึ้นพวังขจารณะเอ่ออตีตะพวังคือผวังกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะส่วนผวังที่มันไหวเรียกว่าผวังขจารณะผวังที่ตัดขาดเรียกวังคู่ประเฉทะเอาตัวสุดท้ายของคำเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวตั้งชื่อว่าผวังนะนะทะเนี่ยวังขจารณะเนี่ย เรียกว่าเป็นความจรณะนี่แปลวันไหวนะผวังที่ไหวผวังคู่ปัจเฉทะเนี่ยนะตัวเนี้เป็นตัวที่ตัดตัดกระแสภวังเนี่ยนะพอตัดแล้วก็จะต่อด้วยตามสมควรแก่ทวารใช่ไหมถ้าปัญจทวารจะต่อด้วยอาวัชนะคือปัญจทวาราวัชนะถ้ามโนทวารจะเป็นมโนทวาราวัชนะรับอารมณ์ตามสมควรแก่ตนนี้ ทั่วๆไปแล้วชาวนาจะเจ็ดดวงเหรนะชาวนาดวงที่เจ็ดก็เป็นปัจจัยแก่ภวังภวังที่เกิดต่อจากชาวนาเนี่ยถ้ารับอารมณ์เดียวกันกับสมมติว่าเนี่ยอารมณ์เดียวกันกับชาวนาผวังอันนี้เรียกว่าตถารมนะเนี่ยนะมีอารมณ์เดียวกันกับชวนาชาวนารับอารมณ์ใด ภวังก็รับอารมณ์นั้ น, นด้วยเรียกว่าตทารมณะที่นี้ปกติแล้วภวังเนี่ยมันออขอไปตถารมณะมี11ใช่มั้ยมี11ชนิดหนึ่งนะคือมหาวิบาก8